วันทอสงค่ำคืนแม้ยาวนานแต่มันจะผ่านไปเมื่อวันฟ้าสดใสวันนี้ I know. ใจ สุขมีเพราะเราเข้าใจเรียนรู้